พอมโยนลงไปเรื่อยๆหลายสอบมันก็อาจจะเห็นเพราะมันทําหน้าที่ของมันอยู่สอบซรายแต่ละสอบก็ทําหน้าที่ของมันอยู่วางรู้สึกตัวก็เหมาอนกันอย่าประเมินทําไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนอย่าไปประเมินเอาเหตุเอาผลอย่าไปเนื้อว่าทําไมจึงไม่ได้ทําไมจึงเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อันนั้นเป็นเป็น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 ไปมาพอเห็นทีแรกก็เหมือนกับเจตนาที่จะแก้ความหลงแก้ความทุกข์แก้อะไรต่างต่อไปต่อไปมันจะเป็นไัวเองนะเพราะว่าความรู้กับความหลงมันต่างกันอยู่น่หลักของมันก็มีเท่านี้การปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็มีเท่านี้เลยถ้าจะบอกแล้วบอกกี่ก็มีแต่ความรู้กับความหลง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 สี่สิบไล่ก็สี่สิบวันยังประเมินได้ยังประเมินได้ ย, ไดยังดูได้ดูออกว่าต้องเสร็จแน่นอนกาหนดวันเวลาได้แต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยกาหนดเป็นรูปธรรมไม่ได้แต่มันจะกาหนดตนที่มันผิดทำให้มันถูกเท่านั้นตัว น, นั้นเราถือว่าเป็นนักปฏิบัติตามันทุกเปลี่ยนไม่ทุกนะ่ะเป็นนักปฏิบัติแล้ว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 ก็เป็นปัญญายิ่งไปเห็นรูปทุกเห็นนามทุกรูปที่มันทุกนามที่มันทุกทุกของรูปมี่มากหายใจเข้าหายใจออกก็ถือว่าเป็นทุกของรูปยืนเดินนั่งงอนก็ถือว่าเป็นทุกของรูปจินตุงถายต้องเป็นทุกของรูปทุกที่เป็นสภาพตามความเป็นจริงทุกที่เป็นขันตุกะ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 ยิ่งไปเห็นลูกเห็นน้มเนี่ยเห็นเป็นธรรมชาติเห็นเป็นอาการความโกรธอย่างเนี้ยมันเป็นอาการของนา้ามันไม่ใช่นม้มเป็นอาการที่บัดเกิดขึ้นกับนม้นมน้ำคือจิตใจควบมโกรธไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของลูกเรื่องของลูกมันก็คือความร้อนความหนาวความหิวความปวดความเมื่อยเป็นเรื่องของลูกน้ำไม่เป็นด้วยก็ได้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 หน้าตาก็มีที่วางผมยิบไหวอย่หน้าบูดหน้าบึ่งเหมืนกับยากจนอะไรจนมันยากทําอะไรนี่หน่อยก็โอ้ยากโอ้ยาอยากเอาความยากเอาความง่ายแต่เห็นกันก็ว่ายากเอาความยากออกมาโชว์วันสมัยก่อนโอ้หลวงพ่อเคยทาํานามีชาวนานาติดกันพอเห็นหน้ากัน โยมคนนั่นเขาโอ้ยตายตายตายตายบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวพอเห็นหน้ากันทีเดังก็โอ้ยตายตายตาตายบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวเอายามาสูบสักกอนเถอะเชวนสูบจะชวนนั่งสูบจะเราก็ไม่อยากนั่งนะแต่ว่าพ่อบอยพ่อโอ้ยตายตายตาาบ่ไหวบ่ไหวเอานั่งสะก่อนนั่งเห็นหน้ากันทีเดันตายตาตตบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวมันเปล่ะบางเกินไปสู้ชักหน่อย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 บางทีก็ไม่ต้องพูดมันอยากแกพูดก็ไม่ต้องพูดปิดปากปิดตาปิดหูไม่ต้องไปรู้ไปเห็นอะไรมากสอนรู้สอนเห็นอะไรมากใช้สติเป็นอินทรีย์จารวมอายตนะลงตางหูจมโกรเรียนกายใจลงไปเหลือแต่สติอินทรีย์ออกรับรู้รอบตัว